ได้รับบูบายจากอาจารย์แล้วก็รู้แนวปฏิบัติไม่ยอมให้ขาดไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนคลายภาวนาพุโทโธคำกลับไว้แนบติดในหัวใจตลอดเวลาไม่ทิ้งคำพุโทโธนึกภาวนาใจสอหาเพียงทำน้อมบำรู เฝาแต่เดินจงกรมแทบล้มพักเพื่อระงับดวงจิตไม่ให้เพลอผิดไม่คิดบุ่นวายฝ่ายพะดุงพอคำลงแล้วนั่งคืนยังรุง่งเพียนพยุงมุง่งทำนำใส่ใจเวทนาราวรุมดังสุมไฟตายก็ตายเป็นไรตายเพื่อทำ สังสติศัทธาปัญญาล้อมพร้อมไปด้วยความเพียรไม่เวียนถอยห่างอยู่ในระหว่างนั่งบริกรรมกายจะแตกแหลกทลายทุกกลายกลำ้ำปวดและร้าวระกำทุกขุมคนจะเจ็บแปลแสบร้อนจนเหลือนลน้่นนิ่งอดทนคนดีจึงมีมา กระดูกอันนี้หรือคือตัวทุกหรือว่าทุกเป็นกระดูกไตรตรองให้ทุกจิตคอยคิดผูกพิจารณาถ้ากระดูกเป็นทุกจรจังดังว่าทุกดับไปไม่มาแต่กระดูกยังมีแย่กายจิตวทนาดูให้ดีนิ่คราดทวนทุวนที่มีสติปัญญา ขณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้นเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ชั่วโมงที่ห้าที่6เป็นต้นไปเมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมดทุกขุมขนเหมือนกับจะแตกแหลกทลายลงในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้น กระดูกในอวัยวะต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบมาตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะเจ็บแปรแสบร้อนแสนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายและจิตใจได้เลยเพราะปรากฏว่าเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้นก็มีแต่สติศรัทธาปัญญาความเพียรความอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังใจต้องแน่ไม่ยอมอ่อนแอถอยทับกับแพ้แก่ข้าศึกใช้สติปัญญาแยกแยะ กายเวทนาจิตดูอย่างละเอียดลึกจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอย่าสักแต่ว่าอดทนทนอย่างเดียวเมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนียวสติปัญญาต้องพิจารณาขับเคี่ยวในเดี่ยวนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมขณะกําลังคลี่คลายแยกแยกรกายเวทนาจิตจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อทําหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆ จะทรงจิตไปที่อื่นไม่ได้และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ท่านผู้ใดกล้าหานชานชัยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่าท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีสงสัยและจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมายราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อน และอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้